แล้วก็กระรหะนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เถียงอย่างเดียวนะครับกระหะนี่บางทีลงไม้ลงมือเลยเถียงด้วยลงไม้ลงมือด้วยลากไม้มาตีกันต่อยกันตีกันอะไรยื้เงื้อมือเมื่อเมื่ออะไรอย่างนี้เลยนะครับอันอันนี้อันนี้เป็นแนวตกระฐานะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราแปลหนังสือบางทีเราต้องดูเนื้อความในที่นั้นไอพันธนานี่บางทีพึ่งสูงหัวก่อวอดกันปลุกระดมในฝ่ายของตนก่อนไอทางนู้นก็ปลูกระดมทางนู้นไ อ, ท า, น ท, านนไอทางนี้ก็ปลุกระดมทางนี้อย่างนี้ อ่าอย่างฉลาดอย่างนี้กวอดกันขึ้นมาปุกกระดมสมอะอย่างนี้อย่างนี้แอ่พันธนะอย่างหนึ่งหรืออีอย่างหนึ่งพันธนะนี่ไปเถียงแล้วไปเถียงกันแล้วครับแล้วก็กระหะนี่อย่างที่หนึ่งก็กระหะพันธนะอย่างที่หนึ่งก็คือยังไม่ได้ไปเถียงฝ่ายตรงอย่างนี้แอ่พันธนะอย่างหนึ่งหรืออีอย่างหนึ่งพันธนะนี่ไปเถียงแล้วไปเถียงกันแล้วครับแล้วก็กระหะนี like ่อ like ย่างที่หนึ TR ่งก็กระหะพันธนะอย่างที่หนึ่งก็คือ ยังไม่ได้ไปเถียงฝ่ายตรงขา้ามสมหัวอยู่ในฝ่ายของตนเพื่อหาคําพูดที่ทจะไปโต้กับเขากระหะนี่ก็ไปโต้เลยนะครับวิวาทานี่ลงไม้ลงมือกันเลยนะครับเอ้ยวิวาทานี่ความเห็นแตกแยกเลยไม่ใช่ลงไม้ลงมือและอย่างที่สองนี่พันธนานี่โต้เถียงกันกระหะนี่ลงไม้ลงมือกันแล้วนะครับลงไม้ลงมือกันบางครั้งเราแปลหนังสือไปเราลองสังเกตดูนะครับลองสังเกตดูบางทีขยายไว้หลายศัพท์เลยก็หมายถึงทําหลายๆอย่างเลย บางทีก็เอาอย่างเดียวนะครับเอาอย่างเดียวต่อไปนะครับเกี่ยวกับตรงนี้เกี่ยวกับท่านอารีเคยถามปุรโตที่บอกว่าไม่พึงมีอา่าพระสังฆเถระไปข้างหน้าใช่ไหมครับในบาลีในบาลีว่าอย่างไรผมลืมยนาาลาีวาน้พิกเวริวาสิเกนะพิกุนาปกติปกตันตัดสะ พิกุโนปุโรโตคันตับพังนะครับไม่พึงมีพิกษุปกตรตะไปข้างหน้าบอกว่าไม่พึงมีพิกษุปกตรตะไปข้างหน้านะครับปริวาตผู้ประพฤติวัดอยู่นะครับไม่พึงไปข้างหน้าของภิกษุปกตรตะแล้วกันนะครับปริวเอปริวัติสิกขาพิกสุนี่ไม่พึงไปข้างหน้าของปการตะนะครับไม่พึงไปข้างหน้า ไม่พึงนั่งข้างหน้านะครับไปด้วยนั่งด้วยทั้งสองอย่างไม่ได้นะครับไปข้างหน้าทีนี้อาจารย์ษาจะขยายนะครับคําว่าไม่พึงไปข้างหน้าทํายังไงท่านจะยกปุริโตมาเขียนนิด น, นึงมังรงนี้นะพิกเวบริวาสิเกนะพิกคุณาประกตันตาาัสสาภิกคโนโปุริโตคันตับพังนะปุริโตนิจิที่ตับพังนะครับเนื้อความมาพิกษูทั้งหลายดูก่อนภิกสูทั้งหลายอ่านปริวาสิกาภิกสูนะครับ นะพันตัดพางไม่พึงไปปรตโตข้างหน้าปกตันตาตาภิกุโนของพิจูผู้ปกตตะนะครับไม่พึงไปข้างหน้าเดี๋ยวอันนี้จะอธิบายนะไอจะจะชิจเอขอ ง, งครับไม่ไม่พึงไปข้างหน้าอ่าทีนี้ทีนี้เอออดักถฐานนะครับอดักถฐานจะยกคําว่าประโตในทีน่นี้บอกมาไปข้างหน้าไปยังไงนะครับ ท, ท่านจะยกมาท่านจะยกมาคำเดียวมาตั้งนะครับผูราตตัวนี้นะครับมิสีธเนปิเอเสวนาโยอาจารย์เอเมคุณนี้บาลีบอกว่าพิกุปริวาทไม่พึงไปข้างหน้าของปกตตะทำจริงแล้วก็น่าจะรู้กันยู่เอ๊ก็ไม่เห็นหน้าไปอยู่แล้วใช่ไหมครับไม่เห็นจะไม่ต้องไปข้างหน้าของปกตะตะไม่เห็นหน้าเอามาบอกเลยตรงนี้ ฝันจริงแล้วไม่ใช่ไม่ใช่แค่นั้นบางทีเราอาจจะคิดไม่ถึงในอรัตถายกปุโรโตรมาอีกอาจคือยกมาตัวเดียวเพื่อเอามาตั้งให้แต่จะอธิบายเยอะทั้งหมดทั้งรปตตงนะรปโนะโยชน์นะครับปุโรโตติสังคเถเรนะหุตวาปุโรโตนะคันตพังนะครับคําว่าไปข้างหน้าในที่นี้นะครับคําว่าไปในข้างหน้าในที่นี้ท่านยกมาว่าไปยังไงนะครับบอกว่าสังคเทเรนะหุตวะต้องเราต้องใส่มาปริวาสิเกนะ อันพระ บ, บริวาสิกะภิกตุไม่พึงเป็นสังฆเถร Coca ีนหุตวะไม่พึงเป็นพระสังฆเถระไม่พึงเป็นหัวหน้านั่นเองถ้าพูดในภาษาไทยไม่พึงเป็นหัวหน้าไปข้างหน้านะครับไม่พึงเป็นหัวหน้านาไปหรือไปเดินไปนะครับไม่พึงเป็นหัวแถวเดินไปอย่างนี้นะครับคือไม่พึงเป็นพระสังฆเถระถึงเป็นพระสังฆเถระก็ไม่ควร น, นาไปข้างหน้าหมายความอย่างนั้นนะครับ แล้วถ้าทีนี้เกิดมีคําถามว่าแล้วถ้าจําเป็นต้องไปอะทำไงมันต้องไปทางเดียวกันสมมุติอะต้องเดินไปทางเดียวกันจะทํำยังไงจะไปยังไงท่านแนะนําต่ออีกอาจารย์ถามทวารทศหัตถังอุปปจารังมุนจิตวาเว้นไว้สิบสองศอกซะนะเวน้นเว้นระยะไว้จากเรากับปกตะตะไว้สักสิบสองศอกนะครับสมมตุติอาตัวเอ่ตัวท่านเองเป็ น, เ ป, นเป็นพระสังฆเถระแล้วก็ประพฤติปริวัติอยู่ แต่จำเป็นต้องเดินไปในทางเดียวกันแล้วเราจะไปจะทําไงท่านบอกว่าให้เว้นไว้สิบสองศอกจากปกตะตะสมมุติเราปกตะตะมานู่นเราลีบไปสักก่อนข้างหน้าถ้าจะไม่ไปด้วยกันจะจะจ ะ, จะเดินนําหน้าต้องเว้นไว้สิบสองศอกเอเกเอกั เ, เ, เกนะคันณปังพึงไปตามลําพังคืออย่าไปรวมในหมู่เขาอย่าไปรวมในหมู่เขาอย่างนี้ไปได้ไปข้างหน้าได้แต่มันเหมือนกับต่างคนต่างไปปกตะตะก็ไปของท่านเราก็ไปของเรา เราไม่ใช่ผู้นําไปหมายความเป็นอย่างนั้นครับกรณีที่ว่าไปข้างหน้านี่อย่างนี้พอห่างกันสิบสองศอกไม่ใช่ไม่ไม่ชื่อว่าเรานําไปไม่ชื่อว่าเราเป็นพระสังฆเถระนําไปข้างหน้าเราเป็นพระสังฆเถระมาข้างหน้าก็าจริงแต่มันห่างกันสิบสองศอกมันเป็นคนละพวกกันแล้วหมายถึงอย่างนั้นครับไม่ใช่ผู้นําเราไปของเราเองท่านใช้คำว่าเอกเกนะคันตะพัง <Okay. S 1> พึงไปตามลําพังนะครับไปตามลําพัง ไปตามลําพังนะครับเพราะฉนะนั้นตรงนี้บางทีอ่าสมมตุติเราไปเข้าปฏิวตัตแต่เราเป็นพระเถระแก่ความพระกตาตาทั้งหมดเลยมีกิจจําเป็นที่จะต้องไปไหนไปไหนกันนะครับสมมุติเราจะย้ายจากที่นี่ไปที่นู่นกันจะเดินกันไปละ่ะเอบาลีบอกไว้ว่าห้ามไปข้างหน้านะครับอาจารถถาอธิบายห้ามเป็นพร ะ, พระเถระไปข้างหน้าห้ามเป็นหัวหน้านั่นเองครับห้ามเป็นหัวหน้าเอแล้วเราจําเป็นจะต้องไปจะทํำยังไง เราก็เดินไปซะก่อนให้มันห่างกันสิบสองศอกครับชื่อว่าเราไปของเราผู้เดียวเราไม่ได้เป็นผู้นําของพระปกติตะนะครับหมายถึงอย่างนี้นะครับวิธีวิธีทําวิธีประพฤติอันนี้อาจรยฐานแนะนําวิธีประพฤติให้ให้ห่างกันสิบสองศอกชื่อว่าต่างคนต่างไปนะครับไม่ชื่อว่าเป็นผู้นำไปไม่ไม่ไมใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ครับไมแล้วในกรณีจินตบารอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่แล้วในกรณีออกไปแบบนี้นะครับ ออกไปยังไงออกไปยานที่พูดมาเนี่ยถ้าเากิดว่าเราภาพบริวารต้องอยู่ห่างภาพประกาตาาเท่าไรสองเล่มดูบาก อ, อีเ ย, ยอะครับไอสิบสองสองนี่นี่เดียวตุ๊บเดียวครึ่งตุ๊บก็ถึงแล้วครับใช่ไหมครับยังอยู่ในยังยังอยู่ในสงแต่ชื่อว่าเราไม่ใช่เป็นผู้นํานี่คือสามว่าวิธีวิธีแนะนําเออท่านแนะนําวิธีเพื่อไม่ให้ถูกขระหาไม่ให้ถูกโจด ด้วยอาบาว่าทำไมไปข้างหน้าของปะกตศตะอย่างนี้อดัาถย์ท้าบอกว่าถ้าเลยกันสิบสองจอกแล้วไม่ชื่อไม่ชื่อว่าเป็นผู้นำไม่ชื่อว่าเป็นผู้นำไปปะกตศตะท่านไปของท่านท่านมีองค์เป็นหัวหน้านาของท่านไปเราก็ไปของเราแต่เรายังอยู่ในสงนะครับยังอยู่ในสงไม่ไม่ไ ม, มนนีนิสิตนิสีทเนีปีเอเสวนโยแม้ในการนั่งก็เหมือนกันถ้าจะนั่งสมมุติว่าขานั่งนั่งงา น, งนง เราไม่ควรไปนั่งเป็นหัวแถวถึงแม้เป็ น, เ ป, นเป็นพระเถระใช่ไหมครับเป็นเอ๋ปริวาสิกะเป็นพระเถระไม่ควรไปนั่งหัวแถวของปกตศตะแต่จะนั่งอ่ะห่างกันสิบสองศอกชื่อว่าต่างคนต่างนั่งเราไม่ใช่หัวแถวครับเหมือนกันเพราะนั้นวิธีประพฤติอัตกากถาพระแนะนาดีครับผมว่าถ้าไม่ได้ไม่ได้อาตากถาอย่างนี้อ้าสมมุติอัตากถาไม่ดีอลกลกรุลงลงังหรือเป็นห้างร้านที่บางพระใจดีคือพระไตรปิฎก เราจะรู้ได้ยังไงเอา้าปริวาสิกะไม่พึงไปข้างหน้าของปกตจะภิกษุเอบางทีมันเราจำเป็นต้องไปเดือกันทํำยังไงวะไม่รู้วิธีทํานะก็เลยต้องเดินตามตุวต้องต้อ ง, ต, องต้องตลอดไปอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นไอ้ที่ไม่พึงไปเนี่ไม่พึงเป็นหัวหน้านําไปใช่ไหมครับไม่พึงเป็นหัวหน้านําไปเพราะส่วนมากแล้วไอพระเถระมักเคยชิน จะไปไหนก็อ้าวลูกน้องก็ตามตามอย่างนี้ใช่ไหม เ, เคยทําเคยประพฤติมาเป็นอาชินอย่างนั้นแต่มาถึงตรงนี้แล้วต้องสังวรต้องทิ้งระยะหมายความว่าต่างคนต่างไปต่างคนต่างนี่นะครับอผมว่าอาจารย์ถาก็ทําให้เราเข้าใจวิธีประพฤติที่ท่านประพฤติกันมานี่นี่ไม่ใช่ว่าท่านคิดคิดแล้วก็เขียนมาความประพฤติของท่านที่พุทธเจ้าบอกอย่างนั้นแล้วแล้วความประพฤติในสมัยที่พุทธเอพุทเจ้าทรงทรงพระนมอยู่เป็นอย่างนี้ครับนี่ เป็นอย่างนี้ทํากันมาอย่างนี้ครับเหมือนกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีอีกอีกต่างหากครับตรงนั้นจะเป็นอีกข้อหนึ่งต่างหากทีนี้มาถึงอ่ามาถึงเกี่ยวกับอาสนะที่อาสนะที่สุดพิสูจนปริวาต้องเอาต้องถือเอาอาสนะสุดท้ายอาสนะสุดท้ายที่นอนสุดท้ายอะไรอที่อยู่สุดท้ายแอลวิหารคือที่ที่ที่ที่พักนะครับกุฏิกุฏิ กุฏิสุดท้ายอะไรอย่างนี้นะครับออย่างนี้ตรงนี้ไม่ค่อยมีอธิบายพิเศษตรงนี้คือต้องสุดท้ายก็สุดท้ายจริงๆในใ น, ในที่ฉันในฉันในหอฉันแล้วกันภาษาไทยเราเรียกว่าหอฉันบาลีเรียกว่าพัตตะคะพัตตะเคในในในในโรงฉันนะครับอย่างนี้อย่างนี้ต้องนั่งเป็นองค์สุดท้ายนะครับต้องนั่งเป็นองค์สุดท้ายเวลาฉันนี่เป็นองค์สุดท้ายของพระสังฆนิกะเป็นหัวหน้าของสมณเณรนะครับ เป็นหัวหน้าของสัมมเนนอันอันนี้อันนี้จริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ใชบางทีท่านจะขึ้นไปนั่งโน่นพระวระกตะตะ ต, ต้องบอกเลยของอาสนะของท่านอยู่โน่นนะครับต้องห้ามพระปรกาศตะต้องบอกเลยอาสนะของท่านอยู่ที่โน่นนะครับบางทีไม่รู้ลําดับใช่ไหมครับสมมติว่าพระมีสิบองค์ยี่สิบองค์อย่างนี้เอบางทีก็เคยประพฤติ ม, มาเป็นอาจินก็จะนั่งที่เดิมที่เดิมมันลืมพระวระกาศตะต้องตะต้องบอกอาสนะของท่านวันนี้อยู่ตรงโน้นครับอย่างนี้ครับ ครับต้องบอกเลยอาสนะของอท่านอาจารย์อยู่ตรงนู้นต้องบอกอย่างนี้ครับไม่ไม่ใช่ตรงนี้แล้ววันนี้วันนี้ประพฤติวัดอยู่ทำวิเนียกรรมอยู่อยู่ตรงนู้นหัวหัวของสมนเนรหางของพระนู่นอย่างนี้ครับอันนี้หมายถึงสงพึงให้หมายประมาณสงพึงให้สงในนี้คือภิกษุผู้ถูกสงสมมุติให้จัดอาสนะหรือให้จัดตําแหน่งให้ให้จัดลําดับนั่นเองนะครับให้ที่นอนเหมือนกันนะครับที่นอน ที่นอนนี่คือเตียงต่างพูกมอนอะไรอย่างนี้ต่างหากนะครับที่นอนไม่ใช่กุฏินะครับไม่ใช่หมายถึงกุฏิที่นอนคําว่าที่นอนเราถ้าเราเที่นอนมันก็ในห้องเสีว่าใช่ว่าพิสิทธ์ผมไม่เคยเห็นนั่นพิสิทธ์นอนหัวบันไดทังทีใช่ไหมที่นอนในที่นี้คือที่นอนสุดท้ายคือพวกฟูกพวกม้อนพวกเครื่องนอนพวกเสื่อสารอาสนะเตียงเติงอะไรต่างอะไรพวกนี้ต่างหากนะครับที่นอนแล้ววิหารวิหารสุดท้ายของเราอะไร วิหารของเรานึกว่าที่ที่ที่ตั้งรูปหล่อของเจ้ า, าวาดองค์ก่อนก่อนที่ตายแล้วเราเรียกว่าวิหารใช่ไหมครับวิหารเขาวิหารในบาลีคือกุฏิที่อยู่ครับที่พักเลยกุฏิที่พักนะครับวิหารในทีน่นี้ของเราภาษาไทายถ้าพูดถึงวัดนี้ยังไม่ได้สร้างวิหารคือเจ้าวาดยังไม่ได้ตายหรือตายแล้วก็ไม่ใช่พระ ด, ดีๆถ้าพระ ด, ดีๆมีชื่อเสียงน่ยก็สร้างวิหารไว้ให้แล้วก็สร้างรูปหล่อมานั่งเฝ้านะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับวิหารในที่นี้คือ คือที่เป็นที่ตั้งเตียงที่ที่ที่นอนเลยแล้วกันที่อยู่อาศัยเ่ยที่อยู่อาศัยเป็นห้องส่วนตัวอย่างนั้นนะครับวิหารในที่นี้นะครับวิหารพวกวิหารนี่ต้องต้องให้ต้องวิหารสุดท้ายอีกเหมือนกันคําว่าสุดท้ายไม่ใช่อยู่ริมอย่างเดียวนะครับสมวนบุตรของเราเนี่ยแถวนี้ทั้งหมดเลยนะครับหมดเลยสุดท้ายอาจจะวิหารวิหารสุดท้ายกุฏิสุดท้ายอาจจะหลั ง, ลงนิดนึงนี่ก็ได้ ที่เขาเลือกกันหมดแล้วมันเหลือที่พระสงฆ์เลือกกันแล้วมันเหลือมันจะอยู่ตรงไหนอันนั้นเรียกว่าวิหารสุดท้ายหรือกุฏิสุดท้ายนะครับมันเหลือไม่ใช่พอสุดท้ายนี่คือโอ้โหมันต้องอยู่ในป่าในดงในรกในอะไรไม่ดีน่นนะครับไม่ใช่อย่างนั้นอ่าวิหารสุดท้ายผ่านไปนะครับผ่านไปแล้วอ่าทีนี้ทีนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดพระปกติตะนี่ เบอกว่าต้องให้เลือกกุฏิสุดท้ายแต่ถ้าเกิดพระปรกตศตรานี่ทั้งหมดเลยในวัดนั้นทั้งหมดมีห้ารูปสิบรูปอะไรก็แล้วแต่ถือสมาทานการอยู่โคนไม้เป็นวัดก็ดีการอยู่กลางแจ้งเป็นวัดก็ดีท่านเลยไม่อยู่ในกุฏิไม่อยู่ในวิหารไม่อยู่ในกุฏิกันไอไอการที่ท่านไม่ไม่ไม่เข้าไปอยู่อย่างนั้นชื่อว่าท่านละกุฏิทั้งหมดเลยพระทีนี้พระปริวาติก็สมมุติว่ามีกุฏิอยู่ยี่สิบหลังพระยี่สิบองค์ พายยี่สบองค์อยู่โคนไม้ไปเช่นแบบสิบองค์อยู่กลางแจ้งไปทัแ่นบบสิบองค์ไม่เข้าอยู่ในกุฏิกันเลยไอ้กุฏิเหล่านั้นชื่อว่าไอ้วิหารสุดท้ายทั้งหมดเลยกุฏิสุดท้ายทั้งหมดครับเลือกอาตารย์ชอบใจปริวาสปริวาสพิ่สุริเลือกอาจารชอบใจห้องไหนติดแอร์อาเอาห้องนี้เอาไว้อย่างนี้ก็ได้ไม่เป็นไรครับนั่นชื่อว่าเขาเลือกกันหมดแล้วชื่อว่าท่านสละแล้วครับไอ้กุฏิเหล่านั้นท่านไม่เอาแล้วท่านสละแล้วนะครับท่านสละแล้ว ปาถนาปาถนาเอาห้องไหนเอากุฏิหลังไหนเอายึดได้ตามสบายเลยนะครับทีนี้อีกนะครับมีต่อไปอีกหน่อยพอถึงวันเข้าพรรษาเอาพอถึงวันเข้าพรรษาพระจะเข้าจําเลยนะครับทีนี้ไปอยู่โคนไม้อยู่กลางแจ้งไม่ได้นะครับพระที่ถือธดปองถืออะไรนั้นท่านจะเลิกใช่ไหมครับท่านจะต้องอยู่ในกุฏิวิหารกันละ่ะพอถึงวันเข้าพรรษานะครับปฏิวัติสิกะภิกษุนี้มีสิทธิ์ที่จะยืนรับ ยืนรับไชยทานยืนรับสิ่งของที่เขาให้ที่โยมถวายตามลําดับพรรษาเรามีพรรษาสิบเราก็ยืนอยู่ในอันดับที่สิบนะครับรับนะครับแต่ไม่ได้เพื่อจะถือเสนาสะนะไม่ได้เพื่อยึดครองกุฏิแล้วนาะทีนี้ต้องเพนออกมาแล้วทันท์ใช่ไหมตอนแรกเราเลือกเราอยู่ได้หมดเลยยี่สบห้องเราเลือกห้องไหนห้องใดห้องหนึ่งก็ได้แต่พอถึงวันเข้าพรรษาต้องเพนออกมาแล้วทีนี้พอพระจะเข้าจาพรรษาแล้ว พระจะไปจำบรรษาโคนไม้จะไปจำบรรษากลางแจ้งไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้ท่านก็จะเลิกทุดโดงกันจะเข้าจำแล้วท่านจะถือทุดดงข้ออื่นแะ้ที่นี่นะครับพิกษุ ป, ปรวิวาสิกาพิสุในช่วงที่เขาเขามีเวลาเข้าบรรษาจะมีคนถวายปัจจัยเทยทานอะไรใช่ไหมครับจะมีคนถวายรับปัจจัยตามที่โยมถวายในลําดับของตัวเองถ้าตัวเองเป็นอยู่ในอันดับที่สิ บ, บก็รับอยู่ในอันดับที่สิบครับไม่ต้องเก็บวัดรับอยู่ในอันดับที่สิบ แต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปจองกุฏินะครับไม่มีสิทธิ์จองกุฏิแล้ทีนี้ไม่มีสิทธิ์จองนะครับไม่ย่อมนาะเอเสนาสนางนาะลัพติย่อมไม่ได้ซึ่งเสนาสนะที่ไม่ได้แล้วทําไงไม่ได้คือต้องรอให้สงเลือกให้หมดก่อนพระเขาอยู่เข้ากันหมดแล้วเหลืออันไหนสุดท้ายเป็นของเราหมายถึงอย่างนั้นนะครับอันไหนสมโม้มๆเก่าๆหรือพระเขาเลือกอันเก่าๆส้โมโมไม่หมดเหลือแต่อันใหม่ๆ ไออันใหม่ๆนั่นก็เป็นอันสุดท้ายสําหรับเรานะครับกุฏิใหม่ๆนั่นก็เป็นสุดท้ายสําหรับเราไม่ใช่ว่าพระเลือกอกุฏิไม้กุฏิหญ้ากุฏิอะไรโทมโทมไปกันหมดเลยท่านท่านท่า น, นแบบท่านมาักน้อยใช่ไหมครับท่านเลือกเอาแบบนั้นไปหมดเลยเลือกหลือ ก, กุฏิตึกสร้างใหม่ติดแอร์มีอะไรบริบูรณ์เลยสมบูรณ์พระจะมาโจทย์โอ๊ยทําไมมาเลือกเอากุฏิอย่างอย่างนี้ไม่ได้มาโจทย์ไม่ได้นะครับเพราะเราถือเอาสุดท้ายแล้วนะครับถือเอาสุดท้ายแล้วทีนี้อ้าว ถ้าเกิดอย่างนี้พ อ, พอพอพระกําลังยังไม่เลือกนะครับพระยังไม่เลยเลือกกุฏิกันเราอยู่ในอันดับที่สิบอยู่อยู่ในอันดับที่สิบแต่มีกุฏิในอันดับที่สิบสมมุตินะมีกุฏิหลังหนึ่งมีกุฏิหลังหนึ่งมีพอออกพรรษาแล้วยมถวายผ้าผ้าผ้าจำนำพรรษาคือพอออกพรรษาแล้วยมถวายทุกปีทุกปีเจ้าของกุฏิหมายความอย่างนั้นที่คนเขาสร้างไว้เขาถวายประจําเลย กุฏิเนี่ยใครจำพรรษากุฏินี้เขาถ้าถวายองค์นี้ผ้าบริวาสิีกขภิกษุอยากจะรับผ้าอยากจะรับเอเอปัจจัยเทยทานในวันออกพรรษาจําเป็นต้องจองกุฏินั้นจึงจะได้ใช่ไหมครับจำเป็นต้องอยู่ในกุฏินั้นต้องจองกุฏินั้นจึงจะได้ได้รับผ้าได้รับปัจจัยเทยทานนี่ท่านบอกว่ า, านิทะวัดสาวาสิกังเสนาสนางัง อ๋ออทีนี้ทีนี้รู้แล้วครับวัดสาวาสิกะผ้าผ้าจำำํานําพรรษานะครับไม่ใช่ผ้านําสนวนเจอแล้วนะครับอ่านิธาวัฏสาวาสิกังผมเลยไม่ดองไม่หานิธาวัฏสาวาสิกังเสนาสนางคันหิตุกาเมนะวัดตังนิคขิปิตวาไเหตพังถ้าปริวาสิกะภิกสูนั้นอยากจะรับนะครับมีความประสงค์อยากอยากจะจองกูติมารับไปดี ถ้าภิกษุปริวาสิกาภิกษุนั้นประสงค์จะจองกุฏิกุฏิที่มีคนถวายนั่นเนี่ยเราชอบกุฏินี้เหลือเกินอยากจะได้ท่านท่านบอกว่าต้องเก็บวัดเสียก่อนแล้วจึงจองตามลําดับของตนเก็บวัดแล้วก็จองเราอยู่ในอันดับที่สิบอย่างครับเราเก็บวัดถ้าเราก็ถ้าไม่เก็บวัดเราเราไม่มีสิทธิจองตามลําดับแต่เรามีสิทธิรับทายาทานตามลําดับที่คนมาถวายจองในที่นี้นี่เข้าอยู่เข้าอยู่ได้เลยเข้าอยู่ได้เลยแม้จะ พอจองเสร็จแล้วไปสมาท า, า, านกคาค็ครับครับครับต้องต้องเก็บวัดเสียก่อนแล้วเข้าไปไปจองจองแล้วก็เข้าอยู่แล้วค่อยสมาทานวัดทีหลังอันนี้นะครับนี่ตรงนี้อ น, นิทาวะนิทาวะสาวาติกังเสนาสนางคันหิตุกาเมนะวัดตังนิคิปิจวาคาเหตตาฟังจดสักนิดหนึงก็ดีนะครับประสงค์จะรับปัจจัยเทยทานในวันออกพรรษานะครับเพราะกุฏินี้มี มีโยมประจํามีโยมประจํานะครับดูนะครับเอาตั้งแต่ไหนมาเอาข้อบนนู้นกรรมกรรมนี่สมนตาปาสาธิกาจุรวัตรนะครับจุรวัรระอัฏฐกะสมนตาปาสาธิกาจุรวัตรระอัฏฐกถานะครับใส่ทศฐานจุดไว้ด้วยบริวาริกะขันกระนะครับหน้าสองห้าเก้าอันบนนะครับสองห้าเ้ามาอีก สองห้าเก้าตรงนี้คงเขียนอะไ ร, รอ่ะีนี้ไม่พึงติเตียนนะอ่าสองห้าเก้าแล้วก็มาตรงนี้อะไรฮะคงเขียนอะไรอ๋อปรุรโตสองหกศูนย์ะครับตรงปรุรโตสองหกศูนย์งกันแล้วไม่เลือกอเสนาชนะตัวเองอยู่ได้ตามป่าธนาแต่ถึงวันเข้าพรรษานี่นะวัดสูบปัญญาิกาที่วัเสนะครับจะสืบเนื่องกับตรงที่ว่า ภิกษุผู้ปกาศตร ะ, ะตาตานั้นลักษ์เท่นทน า, านท่านสมาทานธุดองคืออยู่คนไม้เป็นวัดอยู่กลางแจ้งเป็นวัดไม่เข้าอยู่ในกุฏินะครับอาเอวิหารเหล่านั้นหรือกุฏิเหล่านั้นก็ชื่อว่าท่านสละแล้วเพราะฉะนั้นปริวาสิกาภิกษุปรัถนากุฏิไหนก็เข้าไปอยู่ได้เลยแต่พอมาถึงนี่วัดสุปนานกาทิวาเสปัจจยังเอเกปัเสถัตวาวัดสกเคนาขยตุงลพัพพติเสนาส น, างนะะังณรัพพติถึงนี่ๆก่อนนะครับ พอถึงในวันเข้าพรรษานะครับใกล้วันเข้าพรรษาไม่ใช่ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้วันเข้าพรรษาหรือในวันที่เขาจะแจกเสนาสนะกันนะครับจองเสนาสนะกันจองที่อยู่ที่อาศัยกันนะครับถึงวันนั้นท่านบอกว่าพระยุวสิกาภิกษุนี่มีสิทธิ์ที่จะยืนอยู่ในข้างข้างหนึ่งยืนอยู่ในข้างข้างหนึ่งรับไม่ไม่ใช่ยืนอยู่ในลําดับแถวนะครับเหมือนกันเหมือนเดิมนะครับแยกตัวไปสักนิดหนึ่งคือคืออีกเครื่องนิดนึง ยืนอยู่ในข้างข้างหนึ่งย่อมได้เพื่ออันรับเอาซึ่งปัจจัยที่ที่ชายกสวรรค์ตามลําดับพรรษาของตนรับตามลําดับพรรษาเลยครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยเสนาสนสนาลพตินะครับถึงตรงนี้ละ่ะไม่ได้เพื่ออันถือเสนาสนะยังไม่ได้ยังจองไม่ได้จองไม่ได้นะครับยังจองไม่ได้องค์อื่นครับเปิดจองแล้วอ้าวพอพระพระเดเษฎีเปิดอ่าทั้งนี้นะครับฝ่ายนี้ธรรมกระถึก ฝ, ฝ่ายนี้พระสูตรฝ่ายนี้พระวิธรรมฝ่ายนี้วินัยนะครับอาจัดเ ส, ส, ส, สนาสนะไว้อ้าวไปเลือกกันเลยครับตามลําดับพรรษานะครับอ้าวก็จองกันต่างองค์ที่หนึ่งจองก่อนองค์ที่สองจององค์ที่สามจองพระรเดวสิกับภิกษุนั้นถึงจะเป็นพระเถระอยู่ในในส่วนไหนก็แล้วแต่จองไม่ได้นะครับณเ ส, สนาส น, างนังณรัตติย่อมไม่ได้ซึ่งเ ส, สนาสนะไอไม่ได้ในที่นี้คือว่าไม่ไม่ใช่ว่าไม่มีที่อยู่ยังจองไม่ได้ ยังจองไม่ได้ต้องให้เขาจองกันให้หมดก่อนวิทธวั ส, สาวาสิกังเสนาสนางังคันหิตุกาเมนะวัดตังนิหิปิวะคเหตตะพังนะครับทีนี้มาถึงตรงนี้คันหิตุกาเมนะออันภิกตุวัดวัดนะครับเสนาสนะนะครับเสนาสนะภิกตูผู้อประพฤติปฏิวัตินะครับภิกตู ผ, นะผู้ประพฤติวดัดอยู่คันหิตุกาเมนะประสงค์จะประสงค์จะถือเอาเสนาสนะคือจะจอง เจ้นานางนิธาวัสาวาสิกังที่มีคนถวายผ้าจํานำพรรษาเป็นประจําทุกๆปีนะครับนิวัดตังนิกิจจดวะคาเหตตพังพึงเก็บวัดแล้วถือเอาพึงเก็บวัดแล้วจึงจองเพราะเก็บวัดแล้วก็เก็บวัดแล้วมันเสมอกันเป็นปกตตะเพราะเป็นปกตาตาแล้วจะห้ามไม่ให้จองไม่ได้แล้วนะครับไม่ได้ เก็บถ้าถ้าประสงค์จะจะถือเสนาสนะที่มีผ้าอย่างนี้ก็เก็บวัดแล้วจึงถือเอาตามลําดับพรรษาของตนเหมือนเดิมนะครับปัจจัยคือเกี่ยวกับอย่างเป็นผ้าอย่างนี้ใช่ไหมครับครับผ้าอันนี้อันนี้เอาผ้าเป็นจมาพรรษาเลยเอาเอาผ้านะครับทีนี้ที่ท่านเก็บวัดแล้วเข้าไปอยู่ในกุฏินั้นเพื่อจะเอาผ้าหรือว่าจะเอากุฏิด้วยทั้งสองอย่างถ้าไม่เก็บวัดแล้วไม่ได้ทั้งกุฏิไม่ได้ทั้งผ้าก่อนเข้าพรรษาใช่ไหมครับครับทีนี้ก็เกิดกรณีที่ว่าในที่นั้นนะครับมีพระอยู่20บรูปนะครับ มีกุฏิอยู่ไม่พอนะครับไม่พ อ, อแต่ทีนี้ว่าพระปริวาสนะครับมีบมีมากกว่าท่านก็เลยพากันเก็บวัดครับแล้วก็ทีนี้ก็เพื่อที่จะจองเอากุฏินั้นครับอย่างนี้จะเชื่อว่าอ่ถูกต้องตามที่ท่านกล่าวไว้นี่หรือเปล่าอย่างนี้นะครับครับเพราะท่านเก็บวัดแล้วท่านเป็นวากตะตะไม่รู้จะเอาข้อไหนไปห้ามท่านใช่ไหมครับเ <ผม S 2> พราะในที่นี้ใช้คําว่าคันฮิตุการเมนะประสงค์จะรับ นะครับพระสงฆ์จะรับเสนาสนะนะครับมันมีวิเศษนะอีกเสนาสนะที่มีคนถวายประจํานะครับผมผมที่ว่าเป็นผ้าผมก็เลยไม่ใช่ไม่ไม่ใช่นะครับผ้านั้นเป็นวิเศษนะของของเสนาสนะอีกผ้าเป็นวิเศษนะจองกติถ้าไม่จองมันไม่ได้ผ้าถ้าถ้าเกิดกรณีที่อย่างผมเรียนถามอาจารย์เมื่อกี้ครับถ้าเกิดว่าปฏิวัติกาเจวัดครับครับจองเสร็จแล้วผ้าปกติที่ท่าน ท่านก็ไม่ได้ ไ, ได้ครับไม่ได้ท่านเก็บไว้แล้วเราจะห้ามท่านยังไงเพระตอนนั้นท่านท่านจองท่านเป็นปกตศตาก็มีสิทธ์เท่ากันนีงครับใช่ไหมเราสมมุติวเราจะห้ามเราจะห้ามเราจะเอาเอาอะไรไปห้ามครับเอาเอาเหตุผลเอาเอาเหตุผลไปห้ามาท่านจองไม่ได้นะครับเออมีสิขาไม่มีสิทธิ์เลยเพราะเป็นปกตศตครับไม่มีสิทธิ์แล้วท่านบอกว่าประสงค์ด้วยนะครับประสงค์จะจอง จองกุฏิด้วยไม่ใช่จองผ้า <c oughs> จองกุฏิครับผ้ามันเป็นวิเศษนะของกุฏิต่างหากเพราะถ้าไม่ได้กุฏิมันไม่ได้ผ้าไม่ได้ผ้าต้องได้กุฏิก่อนจึงจะได้ผ้าต้องอยู่จำพรรษาก่อนจึงจะได้ผ้าครับอ๋อคล้ายๆกับว่าเจ้าภาพเขาเน่ยคิดว่าภาวนาไว้เลยเขาขาถึงภาวนาหรือไม่ภาวนาก็แล้วแต่เขาเคยทํามาเป็นอาจินพิกสู้อยู่ในกุฏินี้เราจะถวายกุฏิอื่นเราไม่ได้ถวายเราถวายกุฏิของเราเนี่ย หมายความอย่างนี้กุฏินี้เราสร้างถวายไว้อ่าจะเป็นกุฏิที่เขาสร้างถวายก็ดีหรือเขาชอบใจกุฏินี้ก็ดีอย่างนี้นะครับเพราะสมัยก่อนจะเป็นอย่างนี้ถ้าเราแปลหนังสือจะเจออย่างนี้เยอะครับไม่เลือกพระไม่ได้เลือกพระเลือกเฉพาะองค์ที่มาอยู่กุฏิจะเป็นองค์ไหนก็แล้วแต่ไม่ได้เลือกองค์ไหนถึงลําดับกุฏิของเราเราก็จะถวายองค์นั้นแหละหมายความอย่างนั้นที่ท่านให้เก็บวัดนี้ก็เพื่อที่จะ รับเอาเสนาชนะครับมีสิทธิ์รับได้นี่มีสิทธิ์รับนะครับมี<ร>สิทธิ์รับเส<ร>นาชนะเรามาศกปัญหาตรงนี้หน่อยว่าถ้าเกิดสมมุติว่าในระหว่างเข้าบรรษาแล้วพราท่านสมาทันวัดแล้วท่านก็อยู่บงกุฏิแล้วพาปกติก็ไปได้เสนานะอันเร็วๆที่ยังไงก็ต้องสร้างให้ได้มีอยู่ในบรรษาแหละ ไ, ไ, ไ, ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่มีแบบนี้ก็ไม่ดีเลยมันผิดได้งไงอ่ะเอาแบบเมื่อคูนี้ผมพูด ในขณะที่ท่านจองเรามีเราเอาอะไรไปห้ามท่านแต่ตรงตรงตรงนี้เราเราไม่พูดถึงเราเราพูดถึงว่าเมื่อสมาทานแล้วอ้าวไม่ได้เกี่ยวกันนี่เขากุดตีท่านจองท่านจองของท่านไว้ก่อนนี่<ท>ใช่ปะครับพระจองจำจำาพรรษาแล้วก็อยู่ที่นั่นตลอดครับท่าท่านท่านที น, ท น, ทนี้ถ้าเราจะหาเหตุผลตรงนี้เราต้องหาก่อนว่า ต้องไม่ให้จองก่อนถึงจะถึงจะห้ามตรงนี้ได้ใช่ไหมครับมันมันติดตรงที่ว่ารับรับตามลําดับพรรษานี่ครับติดตรงนี้ครับคือผมถ้าผมถ้าไม่รับตามลาดับพรรษาก็ไม่ติดนะครับเพราะว่าถ้ารับตามลาดับพรรษาปุ๊บเกิดเผื่อกุตินั่นหมดแล้วทีนี้ปัจจุตตาเอาไม่มีกุติอยู่แล้วก็ต้องไว้อยู่ที่อื่นครับต้องไว้อยู่ที่อื่นนี่คือบอกว่าใกล้วันเข้าพรรษานะวันสุบรณายก า, กาที่วเสในวันใกล้เข้าพรรษาเขาจะคือผู้จัดเสนาธนะจะต้องจัดแล้วครับ ใกล้ๆวันข้าวพรรษามาอีกเดือนครึ่เดือนอะไรต้องเริ่มจัดกันแล้วครับจัดกันแบ่งส่วนกันแล้วตรงนี้ถ้าสงสัยต้องควรควรไปดูพวกดีกาอะไรอีกนะครับควรไปดูนะครับถ้าสงสัยดีกาก็คงมีอผมนึกไม่ออกการ ข, ขาวิตรณีไม่ใช่ กังขาเขียนที่หลังเล่มนี้ครับต้องต้องอันนี้ไม่มีกังขาถึงจะเขียนหมายความอย่างนั้นแต่ถ้าดีกานี่จะเอาเอาอัตถาไปแก้กังขาเขาจะแก่ของเขาจัางหา ก, กังขาอัตถากังขาดีกาเขาจะแก่ปฏิโมก ค, ครับเขาจะแก่ปฏิโมกข์วชิระพุท ธ, ธิก็ใช่ครับใช้ได้หนึ่งหนึ่งดีกาวิมติวิ ม, ต, วมติก็รวมๆก็เอาพอได้แต่ไม่รู้มีหรือเปล่านะในในในเนื้อความตรงนี้ มีมติก็ได้แล้วก็มีอะไรโดยตรงของดีกาของดีกาของสมันตาผมยังนึกไม่ออกครับไม่มันคนละเรื่องเลยนึกคงพอกอนวนนี้วันนี้สิบโมงนะครับอะไรไปนิมนตนันตักชัยมามั้งเห็นคุณนรักมาแนะนำวิธีการท่องสูตรุณชายเขียนมาขอหนังสือ อาไรน้งะนะอภิธานอีกาอภิธานแปลเล่มต้นฉบับเอาไปใ่กันเอาใหกันนก็ไปปุกระดมไปอีกการถ่ายหนังสือกันอย่างเงผมว่ามันแนะนำผิดไปอย่างนี้ผมไม่ไบอกฝากเป็นเิตไปควรจะแนะนำให้เขาเรียนก่อนไม่ใช่แนะนำหนังสือก่อนแล้วก็รูปสิทธิแปลอธิบายแล้วก็ แล้วก็สมุดของผมก็ได้ของของท่านสมชายก็ได้จะเอาไปลอกมีมลขอยืมมาไปลอกแล้วก็อะไรรูเ้เยอะให้สมชา ย, ยจัดนะเลยเเบื้องเบื้องต้นนี่ตรงสลาสนที่ครับไอตอนเรื่องเรื่องเรื่องสนที่อ่ะของมหาเบส ท, ทำออกมาดีครับอาจารย์เห็นด้ือยังเอ มหาเวทบันทึกการเรียนการสอนที่เรียนกับ อ, อ, อ๋อเห็นเห็นเห็นมหาเวททาเป็นรูปเล่มออกมาได้เล่มหนึ่งนะครับ <S 1> <S 1> เ, เห็นเห็นเอามายืมของเราเลยไปถ่ายทั้งชุดเลยเพื่อจะไปเปลี่ยนคำคำคำคำออกมาตอนแรกเขามายืมสมปองสมป อ, องมายืมถ่ายชุดหนึ่งของปี่มหาเวทเหรอครับเออสมปองมาถามผมว่าให้ยืมไหมผมถามว่าเขายืมไปทำอะไรให้ยืมไปถ่ายเอ๊ะ ยังไม่ถ่ายถ้าเอาไปนั่นก็ได้สมบองเลยให้ไปถ่ายพอไปถ่ายได้ไม่นานก็ออกมาเรื่มนั้นเน่แล้วคุณลักษไปเห็นเขาลอกออกมาเอเอสมรักสมรั ก, สม ร, กสมรักไปพักวัชนะกลับจกกักรพรามไปพัทั้งหมดเลยลอกออกหมดเลยจะเปลี่ยนบางคำเปลี่ยนหมดเลยลอ ก, กันมีข้าจ้างคนลอกมันเร็วอย่างคนผ ม, ผมนนว่าเออเนาะท่าน ท่านเรียนนี้ท่านบันทึกการเรียนละเอียดเนาะผมว่าอท่านคำนำท่านคำนำเอกว่าใช่ใช่ประมานแล้วที่ที่เรียนที่อะไรมาใช่ประมาณแล้วคำนำามหาเศรษฐีใชแล้วก็ใช้บันทึกการเรียนมาใช่ตอนนี้ก็เอาบันทึกนั่นน่ะมามาทำหนังสือสมรักแกไปเห็นแกไปเห็นแล้วแกมาบอกมาบอกจำปองหนังสือของพวกหลวงพี่ทํากันไม่ใช่เลยทํำไมไปอยู่วะช่นะก็เข้ามาขอถ่ายไปทั้งชุดเลยไม่ใช่ขอถ่ายไปใช่นะ